ไม่สำคัญว่าสังขานเป็นข้าพไปเจ้าข้าพไปเจ้าไม่สำคัญตัวเปลี่ยนวิมุตไม่สำคัญว่าวิมุตเป็นข้าวไปเจ้าเหตุฉะนั้นวิญญาณปฏิสนธิของข้าวไปเจ้าจึงไม่มีอยู่ในที่ใดๆเลยนกเป็นในอากาศวันยังค่ําก็ไม่เห็นรอเห็นแต่ตัวของมันมีเถือ น, น้ําวันยังค่ําก็ไม่มีรอยนะทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาเพราะสัตว์ ทั้งหลายชอบเลีงแลดูรูปสัตว์ทั้งหลายทําไมถึงมีหูเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียงไม่อิ่มแต่เสียงเสียงทําไม่ได้ห้ามทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูกเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบดมกลิ่นทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีลิ้นเพราะสัตว์ทั้งหลาย ทอบผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวทอบรสสัตว์ทั้งหลายทําไมถึงมีกายเพราะสัตว์ทั้งหลายต้องการเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายต้องการโหดทพมากระทบกายโหฐทพที่กระทบกายมันเป็นปาราชึกก็คือโหฐทพของพวกที่ไปสังสม กามารวมกันนะโพธพิภพเพศตรงกันข้ามสัตว์ทั้งหลายทําไมจึงมีใจเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบนึกคิดตาหูจมูกลี้ยงกายใจเป็นยาเสพติดของผู้ยังไม่พ้นผู้พ่นแล้วไม่เป็นยาเสพติดตาก็ส่งคืนให้ตาหูก็ส่งคืนให้หูตามสมมุติ จมูกก็ส่งลงคืนให้จมูกตามสมมติลิ้นก็ส่งคืนให้ลิ้นกายก็ส่งคืนให้ตายตามสมมติใจก็ส่งคืนให้ใจตามสมมติแล้วไม่ไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของอุปทานทั้งปวงก็แตกกระจึงพระอรหันต์ทั้งหลายเบื่อตานายตานายหู นายจมูกนายลิ้นนายกายนายใจนายธรรมารมนายรูปนายเสียงนายกลิ่นนายรสนายโวดกระพะนายธรรมารมคำว่านายตาจะทำยังไงจะควักออกหรือหรือคำว่านายหูจะทิ้งออกหรือคำว่านายจมูกจะตัดทิ้งไหมคำว่านายลิ้นจะตัดทิ้งไหมคำว่านายกายก็จะไปผูกคอตายอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้น ไม่สําคัญว่าตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นตนตนเป็นตาหูจมูกเล่นกายใจเพราะเป็นแต่สังขารแ่ะกองทุกข์ท่านเห็นอย่างนั้นท่านก็เลยเบื่อทีนี้เกิดมาพบใดชาติชาติใดก็มาสร้างแต่ตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วตายคากันแตกกระเจิงทีนี้ท่านก็เลยเบื่อทีนี้เพราะมันไม่เที่ยมมันเป็นทุกข์ มันมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเมื่อตาไปเห็นรูปสวยๆก็เกิดราคะขึ้นเมื่อตาไปเห็นรูปที่ไม่สวยก็เกิดโทสะเมื่อตาไปเห็นรูปกลางๆก็วางโอเบขาสุข ก, ก็ดีทุกขก็ดีอุเบขาก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ไปพัวแล้วแต่สลายเหมือนกันไม่กีดังยั่งยืนน่ะท่านเห็นละเอียดละอ้อแล้วท่านเห็นละเอียดละออแล้วความโง่ อันละเอียดละอกเมื่อปัญญาละเอียดละอกมามันก็แตกกระจิงไปเหมือนเรารับตาเราลืมขึ้นมืดก็แตกกระจิงไปท่านเป็นผู้ลืมตามาแล้วข้าพเจ้าจะลาท่านไปละมืดก็ไม่เล่ว่าชั้นใดก็ได้ท่านเป็นผู้ฉลาดมาแล้วแต่ก่อนข้าพเจ้าเป็นผู้หลงข้าพเจ้าจะลาท่านอาจารย์ผู้ฉลาดไปละความโง่ก็ไม่ได้ว่าแตกกระจิงไปเลย เรียกว่าข้ามทะเลหลวงข้ามทะเลหลวง้วยเครื่องบินข้ามทะเลหลวง้วยจรวดกี่ล้านล้านปีมันก็ไม่ข้ามข้ามด้วยพระปัญญาปัญญายะปฏิสุทธิ์สติบุคคลผู้จะบอปฏิสุทธิ์เป็นชั้นๆไปก็เพราะปัญญาปัญญาโลคตมิปัโชโชตูแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงพระอาทิตย์แสงเดือนแสงดาวสองได้แต่ใน ที่สว่างที่มืดส่อไม่ได้ปัญญาสองได้หมดเดี๋ยวได้เห็นเทวโลกเห็นพรมโลกเห็นสัตว์โลกทุกทุนหน้าเลยเพราะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยเห็นที่เป็นทุกข์สมันตายจักสุจักสุรอบครอบปัญญาจักสุจักสุคือปัญญาเอาโลกปัจจุบันเป็นพยาเห็นโลกปัจจุบันชัดแล้วก็ไม่ต้องสงสัยโลกอดีตโลกอนาคต บางท่านก็ถามว่าชาติหน้ามีไหมชาติก่อนมีไหมก็เมื่อวานเนี่มีไหมพรุ่งนี้มีไหมก็เราไปเป็นผู้ไปสมมุติว่ามันมีมันก็ต้องมีอยู่ตามเดิมมันเองชาติหน้าของพระละหันมีไหมไม่มีชาติหลังของพระละหันมีไหมไม่มีพระท่านเบื่อหน่ายชาติแล้วชาติปัจจุบันของพระละหันมีไหมไม่มีมีแต่ทําอันไม่ตายนั่น พอมันกลายเป็นธรรมอนไม่ตายแล้วพระนิพานเอาใจไปหรือไม่ไม่ได้เอาใจไปพระนิพานแต่เอาใจปฏิบัติใจเปรียบเหมือนเหลือเหมือนแพรทานศีลภาวนารวมลงอยู่ที่ดวงใจพอไปถึงพระนิพานแล้วใจก็ทิ้งเลยพระนิพานชี้อดชี่อยากจะเอาใจไปด้วยมันก็ไม่ถูกไม่เป็นฐานะที่จะบัญญัติไว้ใจอีกพระอรหันต์ตายแล้วเพราะมันไม่สมฐานะคล้ายๆกับว่า แกจะตายแล้วจะมาเรียกคนหนูอยู่มันก็ไม่สมฐานะพระนิพพานแล้วจะมาบัญญัติโลกมันก็ไม่สมฐานะจะมาบัญญัติใจมันก็ไม่สมฐานะจะมาบัญญัติบ้านเมืองมันก็ไม่สมฐานะออืเพราะมันกลายฐานะเหล่านี้ไปแล้วพ้นฐานะเหล่านี้ไปบัญญัติได้แต่เพียงว่าทำอันไม่ตายทำอันเย็นดับสนิทถ้าอย่างนั้นใครไปเป็นผู้ไปเสวยพระนิพพาน ก็พระน e ิพพานนั่นเองไปเสวยพระนิพพานใครเป็นผู้สวยทุกขอยู่นี้ก็คือสังขารและกองทุกนั่นเองสวยทุกพระนิพพานไม่ได้มาแย่งสวยด้วยนั่นใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังอยู่เดี๋ยวนี่ก็สังขารและกองทุกพูดฟังอยู่เดี๋ยวนี่พระนิพพานไม่ได้มาฟังด้วยไม่ได้มาแย่งพูดด้วยนั่นเต่ามันลงน้ำก็ได้ขึ้นน้ำก็เป็น เต่าเปรียบเหมือนพระละหันปลาเปรียบเหมือนพุทธชนคนหนาเต่าเปรียบเหมือนพระละหันที่ยังไม่ตายเปรียบเหมือนพระละหันที่ยังไม่ั้นทันคิดสิ้นชีพส่วนชิดชีพไปแล้วไม่มีสิ่งที่จะมาทั้งฉันเต่าก็ถามว่าคล้ายๆกับเราถามพระลรหันนั่นเองเต่าถามอ่าอ่าปลาก็ถามเต่าว่าเต่าคล้ายๆกับพระละหันที่ยังไม่ตายท่านขึ้นไปบนบกนั่น ท่านบอกว่าว่างเวิ้งอันว่างเวิรงมันเป็นยังไงมันเหมือนกับจอกกับเหนอยู่ที่นั่นไหมมันเหมือนตมเหมือนโคลนอยู่ที่นั่นไหมไม่ไม่ไม่ๆเพราะเหตุไดเพราะเคยเห็นแต่นาก็เอาน้ามาเทียบฉันในก็ดีพวกเราเห็นแต่โลกโอ้พระเนปานคงจะเป็นอปปัตสอนอย่างนี้เราก็เทียบอย่างนี้เพราะเราเคยเห็นแต่โลกเหมือนจะเป็นวาดเป็นเมือ ง, งอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มาเทียบทีนี้ ท่านพูกพ้นพระมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราเคยเห็นอันไหนเราก็เอานั่นนำมาเทียบคนเราเมื่อภาวนาไปติดอยู่ที่แห่งใดมันก็แอบกินอยู่ที่แห่งนั้นเพราะมันไปไม่ได้มันก็แอบกินอยู่ที่นั่นชั้นใดก็ดีคนจนหาอะไรไม่ได้ก็ต้องแอบกินอยู่กับจนของตวนั่นล่ละมันจนมุม พระราหันถ้าไม่ได้แอบคิดอยู่ที่ไหนพระท่านพ้นไปแล้วคนเราต้องไปพระเนรพลันกันหมดแต่ว่าผิดว่าฆ่าหรือเร็วเท่านั้นทรัพย์ทั้งหลายในใจโลกธาตุต้องไปพระเนรพลันหมดแต่ไม่รู้ว่าคิวไหนไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ต้องไปพระเนรพลันหมดผู้ที่จะไปพระนรพลันก็ต้องมาเลือไสพระพุทธศาสนาเสียก่อนเช่นพระโมคคัลลาสาธิบุตรมาเลือบสายพระพุทธศาสนาเสียก่อนจึงสําเร็จพระสวสดาบรร น, นั่ง ช่างหัวมันเถ อ, อตายไปไสเดือนมันก็ต้องมีคู่เหมือนกันกูอยากจะทำอะไรกูก็ทำไปตามอำเภอใจกูนั่นแหละเกิดเป็นนกนกก็ต้องมีคู่เหมือนกันนะมันพูดไปอย่างนั้นเราพูดไม่ได้พวกเรามันไม่เป็นเครื่องอุ่นใจเพราะเหตุใดเพราะเราได้สร้างบาลามีมาแล้วเราไม่ใช่คนฐานะนั้นถ้าเป็นดอกบัวก็เป็นดอกบัวที่พ่นน้าแล้ว ไม่ใช่ดอกบัวอยู่ใต้น้าําพวกดอกบัวอยู่ใต้น้ามันก็ถือว่ามัมีบาปมีบุญๆๆๆๆๆพวกที่เขาถือว่าไม่มีบาปมีบุญนั่นพวกคอมเมวนิดหนึ่งเข้าไปได้ไหมนั่นแตกกระจิงกันแล้วเห็นไหมนั่นพวกนี้รบกับพระสมานพุทธเจ้าเนอพวกที่ถือว่ามีบาปมีบุญน่ะไม่ใช่รบกับเราหรอก ร, รบกับพระสมานพุทธเจ้ารบตอบคาสอนของท่าน พวกจะถือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีก็เหมือนกันไม่ใช่รบกับพ่อกับแม่มันรบกับเขามันรบกับพัฒนาธรรมพุทธเจ้าอืพูที่ถือไม่มีบาปไม่บุญคําพูดของเขาคือเสียงอะไรเสียงเสียงจอบขุดดินฝังเจ้าของไม่ใช่เสียงอันอื่นเสียงจอบขุดดินเสียงไฟลุกไฟไหม้กิตไม่ใจ ผมตาบอดแล้วครับมาดูตาผมสิค่อยๆกับพูดอ่นั้นแหะผมเปื่อยกายแล้วคารับมาดูผมสิค่อยๆเข้าไว้่ะไม่มีผ้านุ่งผ้าห่ ม, นมคนไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เข้ามาในวัดเท่าเข้าเท่ากับว่าเาปลือยกายเข้ามาเน้อนับนับนับเงินค่าขายหมูผู้ใดเอาเงินค่าขายหมูไปซื่อ เครื่องนุ่งห่มมาก็เท่ากับว่าเปลือยกายเข้ามาในวัดนอันเดียวกันมันบาปคนเราใจถึงทุกคนคนผ่านใจถึงทางทําชั่วนักปราดใจถึงทางทำนีมแมลงวันใจถึงทางกินมูดคูด่ดแมลงพึ่งใจถึงทางกินเกสรดอกไม้คนเรามีอภินหารอยู่ในตัวทุกๆ ท, ท่าน มีปาฏิหาริย์อยู่ทุกๆท่านเราโกรธเราก็มีปาฏิหาริย์ทางโกรธผลของความโกรธก็มาหาเราเราโลภเราก็มีปาฏิหาริย์ทางโลภผลของโลภก็มาหาเราเราแผ่เมตตาเราก็มีปาฏิหาริย์ทางแผ่เมตตาผลของความไม่มีเวรไม่ภัยก็มาหาเราในขณะนั้นโลกทิพย์ก็คือเราแต่ละท่านแต่ละคน โรคทิพใจทิพทำทิพมีความหมายอันเดียวกันเรารับตาก็เป็นของทิพทางมืดของทิพมันเป็นคํากลางทิพทางดีก็มีทิพทางชั่วก็มีผลของกรรมก็เป็นคํากลางผลของทำดีทำชั่วก็มีมีความหมายอันเดียวกันผลของเหตุก็มีความหมายเดียวกันเหตุดีก็ผลดีเหตุชั่วก็ผลชั่วพืชดีก็ผลดีพูดชั่วก็ผลชั่วกําดีก็ผลดีกรรมชั่วก็ผลชั่ว เหตุกรรมพืชส่งข้อกันเขาได้ผลของเหตุผลของกรรมผลของพืชก็ส่งข้อกันเขาได้ส่วนไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุกรรมพืชจะทําลงเมื่อเหตุกรรมพืชทํำลงแล้วผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมไม่ประสงค์ก็ได้รับตามส่วนควรก่าของเหตุที่ทําขึ้นน้อยและมากแม้ทางดีก็เหมือนกันแม้ทางชั่วก็เหมือนกันแต่ทางดีให้ผลเป็นถูกแต่ทางชั่วให้ผลเป็นทุกข์ ตามส่วนก้นข้าของเหตุที่ทําน้อยแนะมากธรรมัญยุตาเป็นผู้รู้จักเหตุเพราะฉ่นเรารู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกอัจฉัิยุตาเป็นผู้รู้จักผล รู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้อัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชาติตระกูลยศศักยสมบัติบริวารและความรู้คุณธรรมเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรประพฤติตนให้สมควรเก่กันที่เป็นอยู่อย่างไรมัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จัก สแสวงหาเครื่องเครื่งชีวิตแต่โดยทางที่ชอบการัญญาตาเป็นผู้รู้จักการเวลาอันประกอบกิจนั้นนั้นพระิสันยุตาเป็นผู้รู้จากกาัป ก, จนนปจกประชุมชนและกิริยาที่ประพฤติต่อประชุมชนนั้นนั้นว่าเมื่อหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทํากิริยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นภุคขะประโร บาลัยุตตาเป็นผู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีควรครบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรครบเป็นต้นนี่คือทรรมสุปฏิปันโนของะโสดาวันไม่ได้กินทั้งทางความทางายเลือกเหมือนกันแต่ไม่ให้กระทบกระเทือนเขาถ้าไม่คบกระทบเขาถ้าไม่คบเขาก็ไม่ให้กระทบกระเทือนเขาเขาบอกว่าเอาเหล้ากินเอาเหล้ามาให้เออผมเป็นโลครับ นี่หมดขอเชิญสะผมเป็นโรคโรคอะไรโรคบาปแต่เขาไม่อธิบายถ้าอธิบายมันจะกบปั้นที่หัวกันเขาหลบเหมือนนักมวยเอกเหมือนนักมวยไทยโรคคืออะไรโรคบาปแต่เขาไม่อธิบายสักเขามีปัญญาการทำความดีเราถือว่าเป็นของยากการทำชกกระปกใส่ตนเราถือว่าเป็นของง่าย ทีนี่ความเห็นชนิดนั้นเป็นที่พึ่งของเราได้แล้วหรือยังนั่นเป็นเครื่องอบอุ่นของเราได้แล้วหรือยังเราต้องตรวจดูทีความเห็นว่าไม่มีบาปมีบุญเป็นที่อบอุ่นใจของเราหรือไม่ความไม่ยินดีในพุทธศาสนาเป็นเครื่องอบอุ่นใจของเราหรือไม่หรือเราโทลุ ตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจก็คือธรรมเป็นที่พึ่งของธรรมมีความหมายอันเดียวกันนอกจากใจไม่มีอันไดจะเบียดเบียนใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะทําประโยชน์ให้ใจไม่มีใครมาแยกเอาเหตุเอาผลกับใจด้วยนั่นพระใจเปโตรก็ลงถึงใจอีกแมโนพังก็มก า, มาทา มโนเสถ่มโโมามนเมียทำทางหลายมีใจเป็นใหญ่จงทําจิตให้บันเทิงในการละชัว่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุธธทธเจ้าทางหลายนั่นยศลงมานี่เองทีนี้เมื่อพระพุทธศาสนายังมเมื่อมีผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนดงเราก็เหมือนอยู่คงคีบด้วยถ้าไม่มีผู้ใดประพฤติพระพุท ธ, ธศาสนาแล้วชาวพุทธจะอยู่ได้หรือ เราก็เหมือนมอดโม้วยสุดชินสกุลพุทธใครลานใครรุกด้าวแดนพุทธกรรมาอันไม่ดีจะตามไปจนถึงที่สุดอันไม่มีประมาณกํรและผลของกรรมอันไม่ดีจะตามไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะไกลพระนิพานไม่ถึงง่ายสวัสดีปีใหม่ แต่ใกล้จะตายกว่าปีกายนี่ใช่ไหมอนคนเราใกล้จะตายมาเออเอาหน้ามาให้ดื่มด้วยกรุณาเอาหน้ามาให้ดื่มด้วยกรุณามาเก็บอุจจาระปัสสาวะให้ด้วยกรุณามาช่วยพยุงตัวด้วยอันนั้นไม่สําคัญเออพอบอกได้อยู่เอาน้ามาให้เก็บด้วยช่วยพยุงตัวลุกด้วยอันนั้นไม่สําคัญเออเพราะมันพูดได้อยู่ พูดก็ไม่ได้ทีนี้มีแต่ลมหายใจทีนี้พิกจิดถูกก็ถูกไม่ถูกก็ต้องไปทุกข์ที่เลยนั่นนี่เรเท่าประจําวานแล้วเนี่ยใครก็ต้องผ่านอันนี้ทั้งหมดัดอา้าวตายคาขี้คาเยาะคนเราต้องตายคาขี้คาเยาะท่านผู้อื่นมาล่างให้ก็ล่างให้ทางนอกเท่านั้นแ่ะข้างในล่างไม่ได้เนอออแล้วทายท่องทีนี้ แล้วก็ถายแต่น้ําลงไปเราวไม่ได้แตงคนน้อยเข้าไปถูข้างในอกินของมันจะเป็นยังไงในสกุลร่างกายนั่นร่างกายทั้งหลายปฏิกูลโสโคกเนอ้อเป็นทุกเนอ้อทุกแก่ทุกเก็บทุกตายเนอ้อพระบรมสารีัตน์ดิฉันนอ่ไม่ได้ทุกขสกุลหน้ากายของดิฉันก็ดีของผมก็ดีนี่หอมเหมือนไฮเป๊กใครไปเถียงได้ที่นี่ ก็เถียงมาได้อีกเหมือนกันและไม่แก่แม่เก็บไม่ตายหรอกก็เถียงมาได้อีกเหมือนกันเหตุฉะนั้นจึงยอมจำนวนพิจนานงะู่บ่โม่บ่โม่มาบ่นั่นนะตัว น, น, น, นี่ บ, พบ่พ่อเศร้า้วาบอกทูม่าแต่ไก่มันกับเมย์นี่แหละมัหนโม่เล่นด้วยนี่แม่นบ่<笑><笑>ยาทาวาดีวาปุราปีปุริจิสากระนั้น เอวเมีไว้ตัวจินาังปีตานังวุปกรติฏิจิฏฐังปฏิทังตุมางทปเมวัสเมจตุสรพพปูเรนตุสังสัปปาจันตุพนารโสยะธามมญโชติเดโสยะธาทัพีทิโอวัจันจะสัพพตุโกสัพพายโยสัพพโรโกวินัสตุตุมาเตปวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภะอภิวาทนาสี นิสะนิจจังวทฒาปิชายนโนจัตตารุธรรมวัันติอายุวันโนสุขังพระลังสัพพุทานุภาเวนะสัพพมานุภาเวนะสัพพชังคานุภาเวนะพุทธะตรงังธัปนัตนรังสัคงค า, านัตตังติตรังนะตรังานุภาเวนะจตุราสีจิสหะ ธ, ธรรมะันธานุภาเวนะปิตะกัตตยานุภาเวนะมีไหมความเข้าใจพ คุณพระไ ต, ตรภิรกุลพิทักษ์พยานุภาพไปชิน้นัสาวกาอนุภาพไแล้วนะด้วยอนุภาพแห่งพลชินสีสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาโรกทางหลายพยาธิทางหลายจงหายไปสัพเพเตอันตรายอันตรายทางหลายต้งหายไปสัพเพเตอุปัฏฐะอุปัฏฐะทุกทั้งหลายจงหายไปสัพเพเตทุนนิมิตาความฝันอันไม่ดีจงหายไปสัพเพเตเอมังคลาเวนัสสันตุ มงคลอันไม่ดีทั้งหลายจงหายไปจงเหือนแห้หายไปอายุวัฒโกอให้มีอายุผู้ชายทกาแปลว่าผู้หญิงอายุอายุวัฒโกทกาชีนวัฒโกทกานมาแปลอยู่นี่มันก็จบไม่เปลยนละอายุวัฒโกทกาชีนวัฒโกทกายาสาววัฒโกทกาปรวัฒโกทกาวรรณวัฒโกทกาสุกขาวัฒโกทกาโมตุสัปทาโมตุสัปทาแปลว่าจงมีอายุยั่งยืนอยู่ทุกวันเถอด ทุกขโรขปยาเวลาโสกาทุกโศกรบภัยอันตรายยาปิอันตรายใดทั้งสิ้นเมรัสันตุจงสถียรหายไปยชาเตชะสาชยสิทธิทัตหนังทนังแปลวา่าทรัพลาพังแปลวาลาโสโตรธีพากระยังโตรธีพากะยังจงเป็นฉุกฉุขังพลังจงเป็นฉุกอยู่ทุกเมื่อสิริอายุจวันโนจะโพคังสิริก็ดี พกข้ัพท์ก็ดีสตวัฏษายจะอายุจะชีวะสิทธีพวันตุเตขอให้เป็นฉุกทั่วทั้งไปโลกทานเพราะว่าตัวัพท์พม่าคารังคันตุสปเทวตาเทวดาทั้งหลายจงรักษาสภาพพุทธาเมื่อเหลียมคนพุทธะธรรมประสงค์เสวนาทั้งหลายจงรักษาสัพพุทธานุภาเวนัชชาสุทธีพวันต er er ุเตแปลเหมือนกันเพราะว่าัวพท์พมังคารังคันตุสเทวตาสัพพัตมาโนภาเวนัชชาสุทธีพวันตุเตเพราะจะสัวพท์พมาครังคันตุสเทว อาจรยสภาส้างคานุภาเวะะ้นะสาสุดที่พรกี้ด้วยเหตุคุณพระพุทธธรรมผสมขอเทวดาจงรักษาท่านอยู่ทุกเมื่อวัน น, นี้เนบ่าดังปรามาสุขังให้พรเพื่อพระเนบพานานบธีตังก็สมควรแก่เวลาไ ป, ป <c oughs> <c oughs> ตั้งชั่วโมองใช่ไหมออปวดเชปวดขอ ตายผมเขาลมหายใจเขาออกคำเวนไปแต่บ่ได้สติไปใช้ไม้รูปก้อนะ่ะเป็นทั้งซากไม้รูปเป็นทั้งซาก็เห็นผมเขาลมหายใจเขาออกแล้วก็ออกละไปใชไม้รูปก้อนละบอ ก, ก็โม่บอกหลายแต่ได้บัตราวานาเอาเนาะเดี๋ยวนึงได้ไหนนะครับวัวหานของหานลงวัหอนวัาหานก็บวหอนอันเดียวกันหานลงหานลงในปัจจุบันนับทั้งล้านเขาการนับออกไปจากรักนวยหันละย่นลงมากกับยนลงมาห้านวยหัน ขณะให้การทรัพย์ปปทุกกับยศลงมหาเอกทุกข์ในพ จ, จ้วันัพยศีลกับยศหลงมหาศีลในพะจ้าวันทัพสมาธิกับยศหลงมหาเอกสมาธิในจจพจ้วันพร้อมก็ลงเขาลมออกกันลอกสันาจะไปงวกหาขนวูข้าเลยแงเเห็นคือลูกปู ม, มาเลยเดินดกลมพอเล็กน้อยชางผลข้ถามท่างเสียงไม้ผ่จวนนี่หละหลวงพ่อหลวงพ่อเดินเดิกลมให้ยังนะันเดินให้ยังเดินหาพุทโธสัพพวา พุทโธเราหายเห็นว่าเราหลวงพ่อเห็นมาสันเห็นวูสัสเห็นด้วยใจนี่พว่ามันหายเอาจากสายเราหลวงพ่อมันหายเอาจากใจนี่เราไว้สันพูดว่ามาเห็นกับมาตามมาเห็นด้วยใจนี่มาพูดว่าอันเดียวกันแล้วมันไมีใจกับภาวนาไม่เป็นม่นไม่ใจกับธรรมบาปไ่เป็นทาบวนไม่เป็นอันไหนจะยกขับใจหมด รักษาศีลตัวเดียวตัวใจเลยรักสมารถรักษาสมาธิตัวเดียวตัวใจศินหากันเท่าบะหลวงระเมิดมันกลเป็นเสื้อหาเกี่ยวอยู่ยมายู่ใจอย่างนี้ศินสองลาเยีสุกต์กันเท่าบะห่วงระเมิดมันกลับมาเป็นยีสุเกต์เกี่ยวอยู่ใจอย่านี้นนแปดมือทีพระธาตมาขันมันกลับมาเป็นแปดมือที่พระธรตมาขันเกี่ยวอยู่ใจ อ, อ, ยอย่านี้หรือร้ายไปก็นั่งก็ได้นั่งเอาโลงหันแล้วเว้ยคนตายพระพุทธเจ้าก็ยังมาสอนอย่างนี้ กุศลธาตุมากุศลธาตมาอภิากตาธาตมาอย่างแปลว่าก็ไปไหว้ข้นดีผุนฟัง่งขันเพิ่นได้บุญเพิ่นก็จะไปหาบุญเพิ่นกันเพิ่นไม่บาปเพิ่นก็ไปหาบาปเพิ่นไหว้สันอกกันี่ไดมันเพามันไปให้บุญข้นตายไปให้บุญข้นเป็นเด้ขนาดแปลคิดไ่ได้นเลยโตแปลคิบบอก เป็น้ายแต่ผู้ชายแต่้ายผู้ายไหนแต่แต่ชาบก่อนไม่เคยเบียดเบียนสัตว์มีอายุยืนมากเราแต่ก่อนเคยเบียดเบียนสัตว์ มีโรคหนึ่งโรคหัวใจสองโรคโรคส่เลื่อนใสเข็มขัดไว้สามโรคถุงหมากโตปัสเวะไม่ค่อยออกสี่โรคถุงน้ำดีเป็นนิว่วห้าโรคกระเพาะไม่ค่อยทายหกโรคคันหลังโรคคันหลังนี่มันเคยได้ไปใส่เบ็ดแล้วก็ ไปกาะหลังปลาดลุกตัวเล็กๆลอยน้ํานี่นี่มันก็เลยมารักษาไม่ดีคันอยู่นี่แต่ไม่ได้เป็นแผลจะคันอยู่ทำไมเป็นแผลอล้นี้ยิงยิงนกเขาไงอ๋อยิงนกเขาอายุสิบห้าปียิงนกเขาเอาผุอ่ะพุที่เรียกว่าก้องเป่านะ่ยยิงเขานี่ลูกดอกก็ข้อนี้เลยนะตกลงม า, ต ก, งมาตกลงมากจขึ้นมา เราคมาถอดลูกผู้ออกก็ก็ก็ ก, ก็มึงเถอะเมึงเถอะมันจะวาชระมันระเบิดขึ้นได้สี่ปีแล้วนี่ระเบิดขึ้นได้สี่ปีแล้วนี่นก็ตอนโคช่วยเขาเนี่ยสองพันห้าร้อยยี่สิบสองระเบิดขึ้นสองสองพันห้าร้อยยบสองระเบิดขึ้นจับโคตัวเดียวเท่านั้นแหะช่วยเขา เราไปพูดร่อมันเล่นไอ้ขี้โหลไอ้ขี้โหลถ้าแม่ทับลูกอันทะมึงแล้วนะมึงข้านองมึงไปชนเขาไอ้ขี้โหลวา้มันหวัวเลาะสิเนี่เขาแปลงรูปแปลงโฉมให้มึงดอกจะให้มึงขายราคาดีๆให้มึงอ้วนๆถ้าอย่างนั้นมึงไม่อ้วนมึงไปชนเขาไอหนอกของมึงกว่าโตแล้วเกิน หัวละมันมันล่องอู้อู้างหัวละมันถือเป็นของสนุกอายุยี่สิปีพอสองพันห้าร้อยยี่สิบสองมันก็มาแปลงโูคแปลงโฉมให้เราซะนะนะเออแปลงโรคแปลงโฉมให้เราทีนี้นี่นโรคถุงน้าดีเป็นนิ้วนี่โรคถุงน้าดีเป็นนิ่วนี่ใส่เบดปาลาไหลนี่ธรรมดาปาลาไหลมันเกินลงท้องเนอต้องแวกเอาเนี่ทีนี้เข้าไปกวดีนไง เขาไปกวดในโรงพยาบาลทีนะคริบเเขาก็หย่อนสายยางลงมาเนี่ยเข้ามาเนี่ยอันเดียวกับปลาไหลกินเม็ดนะ่ะลูกนี่เลย <c oughs> รับทุกขเวทนามากเราก็เห็นโทษแล้วเราก็อุทิศกุศลพ้บุญให้เขาเขายัางไม่ยอม <c oughs> อันนี้มีวุภาการไว้อั น, นีงใส่เลือด่ย เขเอาไปโรงพยาบาลทิมิตเทเวศข่าวหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่ยอมผ่ายอมตัดเลยกลับมาแต่เรื่องนี้ก็ยังคาอยู่อย่างนี้ยย่นี้ยังคาอยู่ผ่านมาสีห้าเรื่องแล้วเอาไปโรงพยาบาลลูกค้นใจก็ไปโรงพยาบาลค้นแกน่นักไม่ยอมข้างเขินในโรงพยาบาลด้วยแม่ยอมยอมผ่าตัดด้วยตายเป็นตายอันที่ฐานแล้ว อธิษฐานไม่ผ่าตัดได้ทั้งสิ้นแต่ไปตรวจโรคอยู่แต่ไม่ยอมข้างคืยในโรงพยาบาลและไม่ยอมผ่าตัดเลยทีนี้ที่แรกว่าจะไม่ยอมไปโรงพยาบาลล้วเออถ้าครูว่าอาจารย์ไม่ยอมไปโรงพยาบาลลูกๆ้านหลานไม่รู้จักวิธีจะปฏิบัติจะปฏิบัติด้นเอามันก็ไม่ถูกเขาแบ่งครึ่งหนึ่งอ่ะแบ่งครึ่งไปก็ไปไปโรงพยาบาลจะไม่นอนข้างเคียงในโรงพยาบาลแบ่งครึ่งกัน <laughs> อันนี้ใส่เข็มขัดหองงูไเนี่ยก็มีวุฒิกรรมอีกอันหนึง่งเป็นเด็กอายุ15ปีได้กบแล้วก็ผูกเอวข้าง ม, านมันหิ้วไปเรื่องโคโคเโคเจ้าของมันยังข้าตายที่นั้นก็เป้งกินที่นั่นนี่เป็นเวนเ็าในมานัรัดเอวอยู่นี่ นี่นี่นี่ทนี่ลูกกบใช่นี่ไถนาไปไถมาไปมันก็อยู่ตามคลองขียไถ่นะวิทย์ ว, ยวยิลูกกบเอามาเลยก็เสีะเท่านี้เสียเท่านี้มันเวลามันมันจะตายที่นึงลูกกบเคยเห็นไหมเขาเรียกว่าลวกเอ ก, กบ ปาเข้ามันก็อยู่ย่งเี้ยเบียปาเข้ามาขี้ออกทางนี้เลยนั่นแหละเวนอันนั่นหละียนนน่ะเห็นเห็นทันตาเห็นทันตาสิ่งที่ทําดีที่นี่ก็เห็นทันตาเนอะสิ่ที่ทําดีนี่ของคนเดียวนั่นนีงนั่นอีกอันหนึ่งนี่อีกอันไหน อันนั่นทำก่อนอันห้องน้ำห้องตู้อ่ทำก่อนอันนี่ทำทีหลังนี่อันหนึ่งนั่นอยู่อีกอันหนึ่งเขามาทำให้โดยเฉพาะนะนโยบายผ้าใช้ายอยู่ข้างล่างอีกอันหนึ่งที่เห็นในปัจจุบัน <c oughs> เคยกอบกระดูกมันเหล้วไม่ใส่พระกรรมฐานในประเทศไทยนี่เกลียงชัย ยังไคอมันอยู่ในกรุงเทพบอกว่ามันไปเห็นหมดแล้วเฉพาะห้องถ่ายพระกรรมฐานเนี่ประเทศไทยเนี่ยไม่เท่าของหลวงปู่ไหวยอย่างนั้นเพราะมีรักอันมากนี่อันหนึ่งนี่อันหนึ่งแล้วก็นี่อันหนึ่งก็นี่อันหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างล่างอันหนึ่งส่วนข้องหมูของเพื่อนก็มีมากอยู่นี่ก็อันนี้สองอันกัอบอุจจระหลวงปู่มันแปลว่าจะมีแต่บุญของตนหรือ บุญของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีหรือบุญของครูบาอาจารย์ไม่มีหรือบุญของมูฟเพื่นไม่มีหรือบุญของพุทธบริษัทไม่มีหรูอมีอยู่แต่ของเรามันมีสิ่งที่บวกด้วยอะไอย่างนั้นหรอกเข้าใจไหมเข้าใจไหมได้อะไรมาก็จะว่าบุญของตนหมดหรอกหรือไม่ไม่ในหมายความอย่างนั้นบุญของพระพุทธธรรมพระสงฆ์บุญของครูบาอาจารย์และคณะญาติโยมมีอยู่แต่ว่าบุญของเรามันขาดมีแนวบวกด้วยอะไอย่างนั้นหรอกเข้าใจไห้คสับนะ บุญของเราที่กรอบอุจจาระนะ่ะมันไปนบวกว่าอย่างนั้นหรอกแล้วไปบวกกับบุญของพระพุทธประธรรมประสงค์บุญของครูบาอาจารย์แล้ญาติโยมและพุทธบริษัททั้งหลายแล้วหมู่เพื่อนก็มีอยู่แต่ว่าบุญของเรามันมีสิ่งที่ไปบวกด้วยว่าอย่างนั้นหรอกเข้าใจนะสิ่งนี้เออม้ามูนี้กูมัน่นคงอะสิ่งไห้ที่ทําดีมันก็เห็นหมดสิ่งไห้ที่ทําชั่วมันก็เห็นหมดในชาตินี้เราไม่ต้องว่าชาติอื่นละ ทีนี้โคควายตัวหนึ่งทีนี้พอเทียมถ่ายนะพอเทียมถ่ายเข้าแล้วมึงก็ทำท่าจะถ่ายอุจจาระทีนี้เออแต่ก่อนมึงก็กินดีๆอยู่แล้วกูเอามาถ่ายนะทําไมมึงจะทําท่าอุจจาระไป อ, อบังเข้ามันไปทีนี้กลายเป็นคนโรคเป็นโรคท้องผูกทีนี้ เ, ออเวรอันนั้นละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนร่องซอบโพกอะอืมแปดสิบห้าแปดสิบห้าแปดสิบห้าอ๋อเจดสิบห้านี่เก็บทิพใช่ไม่มไม่ถึงห0ทิพเพราะนี่6วก็ถิอว่าหูมีขี้ถึงว่าแลไร่น้ำอี่ปุ่นผุนอี่ปุ่นตีดากระผม มวนหมงกล้อกเพื่นเหนไมน้าท่านห้องขี่นี้มันมาท่นหอกแม่นบอกม้วนจะขาดจะฟันกับอะไรผูกเฮาอาสี่ปุ่นบ่ได้ผูกเฮาอาสวยปุ่นบ่ได้มาวนจะขาดจะแกงกับอะไรนั่นมกเฉมาักคันเห็นโทษมกเฉมาเอาลูกระเบิดตัวน้าโน่กับทับร้ายเขาสั่งซัดถ่ายเขาสั่งเฮาอาสวยพอแห้งเลยสวยพอแห้งเนี มดโทษน่ว่าหันแม่นบนั่งนั่งนั่งเจง้าอิทานไงสงฆามทางประเทศด้วยนี่ลวันนี่จะสงฆามสะกับหัว ก, กันกินได้ประเทศไทประเทศมันเ่วะวนนี้แม่นบอกเราหน่อยเพราะขาวไรเป็นโทษเนีนึงตัตดตะตัดมานีตายซ่อเไง้ไปอันนี้ <laughs> อข้าหูจักคือจะตายในพองมมันนี่คนปฏิวัติคนทุกในวาาัฒนธรรมฝ่ายงัินบงจังจก กึ่งบาดเดียของจักตัวเนี่ยมู้โตแล้วให้ไปเรียนเลขรู้หรูอนะถอว่ามาบอกนะไปเลยนเลขรู้หแล้วก็เดี๋ยวฉไดกับ่ออนันเดี๋ยวพ่อละพราะเ็ผัวเคียดนะผัวล้วก็ไปขายตั๋วญี่ปุ่นแม่นว่า่เปลี่ยนกับวกเพื้อห้เสื้ออกแบบลูกแบบหลานวได้วอกแบบมีเกียรติได้เนี่ยวอกแบบสอนลูกสอนหลานเนี่เดียวว่าปูสอนหลานเเนี่ย เราเอาไปเอาเราคาไหซุเกเอาไปกินที่แตกที่นังไม่ที่ว่า <c oughs> เบ้นบ้าเดียวสีเราเอาไปกินที่แตกเนี่ย เ, เอาเนาะไปไปปูกอะไรเราประกอบได้เรผักด้หรแล้วไงใช่ไหมเอ้เา ไปไไปพก้กอกแทผากันผลบกอกก้อนน่ไ่เป็เลขที่แค่เาะที่เป็นเลขที่ไม่ผเป็นเลขหอมันว่าเป็นเลขเนาะอืมไม่เนเู่ยินดีน้ำจังเป็ดเอาหอไปอ่านยเอากินไปที่แก่ทียงม่ทีฟันเราต้งซือทย่างเอาหงอไปอ่านเออไม่ทีฟันเราไปให้อย่างอ๋อ อ๋อเดี๋ยวเขาเสนออ๋อไม่่พลาดฮ่าฮา่าฮเขาล่างที่ว่าพระลดเขาเข้าที่แลเขาล้างดีไม่ตัวบดีเขาเข้าสล้วเข้าว่พระประหลักใช่ไหมเจ้าไว้เต็มตัวเหยียบจีกินเลยเจ้าตใจบะทุบหัวคือกนไปรลักเมียเขาหลกเอจซะน อันนี้เนี่ย VIP, เป็นกังวลที่สุดเป็นกังวลลูกหลานเรื่องเนี้ยเรื่องอื่นก็ยังค่อยโยเรื่องเลขหนึ่งเรื่องรักใจกันนึงเป็นกังวลนําลูกําหลานเสมอเห็นหนาม่าจังม่ผัวโตเห็นหนาม่าจังว่าเป็นเมียโตไปบอกผัวได้ยินเลยนะหลวงปู่เทศสงการหมาวัชนกในโลกอันนี้วัชนอกจะกี่นั้นมันบ่เคยได้ยินจะเพียโลกเอ็ดหรือมันได้ยินมาแล้วมันบ๊วยยัดห่ะมันจังไม่โรกเอ็ดนะแม่บอ แล้วร่างกายมันดีลูกหลานน่ะหัวมูโตแล้วร่างกายมันดีอมู้โตแระวร่างให้มันดีนนดนนดคอนี่ปู่ตํางขั้นมากลูกหลานเลอตายไปเปต้นหวาละหกย้าย่อมพิบาลเอามีดเฉือนมีดเฉือนโยนี่มีดเฉือนทองตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดผู้ชายย่หันกับขึ้นกันมันผู้ชายลวงระบมดเมีย ก, กับขึ้นกัน รลายแสนปีออกกากหันไปแล้วไปเป็นเพลออกกากเพลไปเป็นมันซัดีรักษาถือเขาเหยียบตายสทำให้มมเป็นั่วงอะไรทำเป็นั่วงแม่ซัดกระถือเขาเหยียบตายทำเป็นแนวอื่นก็ได้ตายย้อนกรรมวารุ่มจ้งหาล่อล่อดติดติดกันไปเกิดเป็นค้นท่านไปเกิดเป็นข้นก็ได้ตายย้อนกรร ม, มาร่ม ไม่รูกไม่เมียม่รูกไม่ผัวมากเขาเข้าไปยังเก่งเขาก็ไปเฮ็ดอันบดีบ่าลายส้ำบน้าห้าลังชากิดเป็นกระเวยซ้ำเปิดมากร้อยแสนปีจนสิลปะเกิดเป็นขนบริสุทธิธ์โทษสุราไม่อะไรนักคือกันอันนี้ขนาดตายไปพญายามทียบานเอาลีมาตัดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนีย่ยหันร้ายแสนปีออกจากหันไปไปเป็นประเทศร้อยแสนปี ออกกากเป็นเพแลทไปเป็นซัต์ทียสารบาออกกากซัต์ทียรสารบาไปเป็นมนุษย์บาแนวลห่าห้อยห่าสอยห้อยซากหน่งจะว่าเป็นค้อยที่เป็นมนุษย์ดีนําเพิ่อนคนประพฤติดีคนประพฤติบดีกลุูดทุนลงไปอีกหนั่กหาว่ของบ่ามาของเล็กหน่อยได้หลูกหลานเลยพวกได้มักข่ามักแกงรู้ๆกันเกิดมากตายมาได้ฟองแบบนี่ ตายไม่ได้ตั้งขั้นออก่าแหละตายก็ไม่บบจีร่างอย่างยืนบมมันบบเทียงแต่บอราขาสัตดกแต่หันท่ำให้ทุบพนกระพเขียนตีดูบ่อยๆเกิดว่าไม่อายุยื่นก็ไม่โรคร้ายคือร้งองปูงปูแฝดเสียโรคร้ายโพดโรคหัวใจโใรคไตเลื่อนโรคทุง่งน้ำดีเป็นนิว้วโรคทุ่งหมากตูสามารถท่านบอไปพาไปตัดในรองพยาบาล ใช่กรรมเอาตายจะตายแล้วนี่เพรเห็ุไรเพรเบียดเบียนซัดได้อายุยืนยืนเบียดเบียนซัดนี่หลวงปู่นี่อายุยืนอยืนอายุยืนอายุยืนด้วยบ่เบียดเบียนซัดด้วยบ่เป็นโรคยังไม่เป็โรคขนาดเชิงเดียวหลวงปู่นี่เก่าชินี่ปีนขึนเครื่องคนได้เมื่อได้หามนั่นละวาสนานั่นน่ะบุญมันเป็ตัวเองไหมมันเป็ตัวของเสี้ยนบุญไปเอาอะไรใครเม่อไระ นาสองเท่าแล้วเออไปชุบไปชุบไปชุเออไปชุบไปนักศเออะไรบอไม่วันนี้จะเอาให้ยัะไงเยอะไหมวา